ฟังทมกันเนาะวารี ญ, ญสแสงนำ้างเสงผลาน <c oughs> ฟังผู้อื่นพูดฟังทำแล้วก็มีการเวลาจนการ ิบัติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดกับคกายกับใจเรานี่ไม่มีการไม่มีเวลาถ้าเรามีสติไปดูเหมือกับการฟังธรรมเหมือนกับการแสดงธรรมสิ่งได้เกิดขึ้นกับกายกับใจที่ถูกที่ผิดเราได้บทเรียนได้รู้ เชื่อถ้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกระใจเรานี่มันได้เห็นอยากจะพูดจากนี้มันได้พบเห็นแต่ว่าเห็นทำไม่ได้ยินทำส่วนมากจะบรรลุธรรมเพราะการพบเห็นสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่ มีสติมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาก็ก็จะบอดได้ศรัทธาเป็นตัวนำเชื่อมั่น ในความเชื่อมัน่นในทำทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วแล้วก็เชื่อมัน่นในเราในกายในใจจะามาทําดีจะามาความชัว่วจะเห็นความชั่วเกิดขึ้นมีศรัทธาที่จะละให้เกิดความดีเชื่อมัน่น เขียนได้ปฏิบัติได้แจ้ไขได้ความเชืัทธาเชื่อมั่นก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติลงไปจับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ ไว้โทษไว้ทิ้งติดตามอย่างมีระเบียบวินัยไม่ยุ่งเหยิงสับสนฝึกตนสอนตนยิ่งเวลาเราฝึกกรรมฐานนี่มีสติเป็นนกายนี่มันมีความพร้อมที่สุด ฝนจะตกเดี๋ยวจะออกแต่เป็นกลางคืนกลางวันเวลาไหนก็ตามมันมีความพร้อมมากที่สุดบางคนจับเครื่องมือที่จะทำงานจับมีดจับขวานจะฟันไหมจับเลื่อยที่จะเลื่อยไหมวันพร้อมมันเช่ได้ อีขวนเรื่อยก็ใช้ได้เพื่อทำงานให้งานสำเร็จมีสติเป็นแน ก, ก่อนพรควมที่ใช่กับสิ่งที่เกิดทุกขกลายให้มันสำเร็จได้พลังร่วมก็มีศรัทธามีสติมีความเพียรมีสมาธิ กำลังของสมงาธินี่ว่าจะเจ็นพลังงานมากมั่นใจมั่นใจใครก็ตามท่าป็นความมั่นใจทำอะไรก็มั่นใจคนขับรถเขาก็มั่นใจท้าหนึ่งไปซื้อกับเบื้องบนวงคาศาลาวัดภูขอทองที่สระบุรี น้ำหนักเป็นหลายตันขึ้นเขาก็ถามเขาว่ามันจะขึ้นได้หรือเนี่ยดูทางขึ้นเขาบอกดูของที่เต็มรถ <c oughs> คนขับรถเขาเชื่อมั่นว่าเขาเชื่อมั่นรถเขาแล้วก็ยิ้ม ส่วนเราไม่เป็นผู้ขับก็กลัวว่ามันจะขึ้นไม่ไหวส่วนคนขับเองก็ยิ้มน้อยๆ อ, อยู่ในความเชื่อมั่นของเขาคนผู้ปฏิบัติธรรมก็เชื่อมั่นแล้วตัวเองยิ้มน้อยๆแต่ล้วที่เนสิ่งที่ไม่ดีเกิดกับกว่ากับใจเราเนี่ยเป็นความยิ้มน้อยๆ ชื่นจได้เห็นความผิดที่มันไม่ถูกต้องอจะแย่เขยสิ่งที่มันถูกต้องก็ตื่นลือล้นก็ตื่นลือล่นเข้าไปแย่เขยไม่โทษโดยทิ้งตัดสินใจทำทพ้งมีศรัทธาทั้งมีสมาธิทั้งมีความเทียนมีสติ ม้นก็มีรสชาติที่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อยากจะทบทวนแล้วทบทวนอีกเออมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยากทบทวนอยู่เพราะมันมีรสชาติไดยเปลี่ยนหลงเป็นลู่มันทาคือทำอย่างนี้หลงเป็นเหตุออย่างนี้ลู่เป็นเหตื่ออย่างนี้ จำนานในทางนี้ง่ายขึ้นจะดวกขึ้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันชัดเจนกว่าเวลาอื่ น, านการฟังการได้ยินได้ฟังการดูมีจากคู่อื่นคนอื่นบอก ว่ายังเป็นดุนเป็นก้อนเหมืนอาหารที่ยังไม่ได้เคี่ยวมันก็มีประโยชน์อยู่อาหารอยู่ในชามในถ้วยยังไม่ได้เคี่ยวยังไม่ได้กลืนมีหวังที่จะกลืนมีหวังที่จะได้เคี่ยวมีหวังที่จะได้อิ่มอยู่แต่การหวังที่จะได้อิม่มได้กินได้เคี่ยว มันก็ยังไม่มีรสชาติแตาเราปฏิบัติได้เปลี่ยนทวมหลงเป็นความรู้นี่มีรสชาติตรงนี้เตลี่ยนทุกเป็นความไม่ทุกเนี่ยมัเห็นแดยรู้เนี่ยรัดหัตตงนี้บ่อยบ่อยปุกตรงนี้บ่อยบ่อย เอาไปเอามามันไม่มีความหลงมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความโกรธมีแต่ภาวะที่รู้มีเตภาวะที่รู้มีเต่จิตติแล้วก็ขั้นตอนน้อยลงแต่ก่อนเึ้นมันคิดเดึงกลับมาให้เกิดความรู้ เหมือนกับเป็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีลักษณะสู้กับความคิดปฏิบัติใหม่ๆไม่มทวนกระแสตอท้อไปทําไปไม่ีแต่ลู่มีแต่ลู้ไม่ได้ดึงไม่ได้ทวนกระแสสะดวกในความลู่เปิดเลยขนาะก็เปิดความลู้ขึ้นมา ความหลงความโกรธความโลภความทุกข์ไม่มีเราจะมีความหลงจะมีความโกรธความทุกข์ก็ได้ว่ายังมีตัวมีตนก็ายากตั้ง่นขึ้นมาเฉยๆปรขอขอขอขอะกอบผลขึ้นมาเพื่อ แช่ขาเสียนลูก ere, ขึ้นมาเพื่อแช่ขเพื่อโลบเพื่อเติมเพื่อแช่ขแต่สำหรับตัวลูกนี่ไม่มีไม่ไมีอะไรที well. ่จะทำให้เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดทุกข์อย่างเมื่อวานพูดกับพระหูกวางเ้วก็พูดสภาวัธรรม กอ น, นม่มีเต่ภาวะที่รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรอีกไม่มีแต่ภาวะที่รู้อยากให้มีอันอื่นแ้วก็ไม่มีมีแต่ภาวะที่รู้เท่านั้นถ้าเขาเห็นอย่างนี้จริงจริงก็เข้าเช่นเข้าทางอยู่ในวงมรร นักไปว่ารู้ไปว่าดูไปว่ารู้ควงดูความรู้นี่นําไปสู่การหลุดพ้นถ้าแต่รู้จริงๆนี่มีแต่ภาวะที่รู้นี่เป็นทางสู่ความหลุดพ้นแต่ยังทุกยังทุกข์ยังโกรธโลภหลงอยู่ยังมีงานอยู่ยังไม่สะดวก เหมือนมีอะไรมาขวางหน้าต้องเอาไว้ข้างหลังมาขวางอีกต้องเอาไว้ข้างหลังเรียกว่าปฏิบัติธรมรมตาภาวะที่รู้ภาวะที่รู้เนี่ยไม่มีอะไรขวางหน้าเปิดเผยออกไปแล้วเปิดแล้วเปิดเดินแล้ ว, ลวนี่จะผ่านไนี่จะผ่านไปพ้นไปหลุดพ้นไป แล้วก็มีใ น, นสงปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาบุกเบิกไม่ใช่ว่าจะมาลำดับลำนำเมื่อกลมาข้างได้เห็นรูปธรรมเห็นน้ำธรรมได้เป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้เป็นรูปวันนี้เป็นนามรูปมันธรรมดีรูปมันธรรมชั่วรูปทุกน้ำทุก โต โ, โ, โ, โลกนาอโลกนี้ไม่ได้เพราะมันบอกโลกสมมุตินามสมมุติโลกบัญญัติวัตถุอาการต่างๆวะระมาสควางเทศควางจริงรได้เห็นเป็นสูตรเป็นหลักสูตรมาเขียนจะบตำรา <c oughs> ให้คนได้อ่านได้เรียนรู้ได้ความรู้เห็นกรรมเห็นสมุทัเห็นมาตัวการเห็นกรรมเห็นสองทางทางแยกสองทางดำดำดำขาวเห็นมาก อันนี้มันเป็นหมวดเป็นหมว่ไป่อไปถึงสุดทางเข้าถูงองคมกแล้วก็บอกเองไม่ใช่แปดอย่างมารวมกันเองมีความเห็นถูกมีความดัดสถูกมีความพูดจะถูกมีความ มีความทำการงานถูกมีความเรื่องชีวิตถูกมีความเพียรถูกมีสติมีสมาธิมีปัญญาคือลูกรวมแล้ ว, ลวคือภาวะที่ลูกมันก็ะไรง่ายเยวลาเราปฏิบัติทรไมนอย่ามวัวแต่ซุ่มๆอยู่มันชัดเจนมันบอกอยู่ พอไร า, าเกิดกับการกระเจรเรานี่บางทีเราถูกได้ยังหนีจากทางแต่ว่าทางนั้นไม่ลบทำให้ทางไม่เตียนแต่ จ, จะลุกขึ้นมาอีกได้เรียกว่ากุปปธรรมอากุปปธรรมกุปปธรรมเชื่อมได้อากุปปธรรมทำที่ไม่เชื่อม แต่ชำนาญนลราไม่เสื่อมเหมือนทาองที่ค้่องที่สุดจนมักที่ดูที่ลูกอยู่เสมอลูกเสมอกับค่องสะดวกกว่าอย่างอื่นมันก็ชำนาญในทางนี้เราไ ม, ไม่ประกอบขึ้นมา สำหรับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเชื่อมได้เพราะโสดาบันนั่นก็จะเชื่อมได้นั่นมีภพมีชาติเกิดเรื่องเก่าเกิดแล้วเกิดอีกจนเวิดทุกเรื่องเก่าเอามาทุกเล่าเอามาทุกอีกเพราะสิจขามีก็น้ยลงส่วนพระนาคามีนั่น ไม่มีภพชาติมีชาติเดียวหลงทีเดียวไปได้เลยทุกทีเดียวก็ไปได้เลยไม่มีเอามาหลงมาทุกข์อีกเรื่องวัลลหันนั้น่ า, าสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีให้ทำอีกคือความทุกข์เรื่องเก่าไม่มีอีกครับพระเจ้ า, าจึงอุทานออกมาว่า ไม่เกิดอีกแล้วและกำเริบอีกแล้วจึงปฏิญาณว่าจะตัดสู้แล้วได้ตัดสรุแล้ ว, ลลวปฏิญาณออกมาประกาศออกมาให้ปัญจวิคีฟังแลปัญจวิคีก็จะรสนในภาะสิทธิจึงพร้อมใจกันปฏิบัติตเชื่อมั่น ในคำสอนในคำพูดของพระเจ้ามีศรัทธาเกิดขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยมีศรัทธาเพราะโชว์ความผิดความถูกก็เห็นใน ก, การปฏริบัติโดยพระปัญจวีนี่ก็ก็อยู่ในกุ๊บดิย่อมอมีกระแสย่อมย่อมคำนวณถูก บางทฤษฎีถูกพระเจ้าโชว์ทฤษฎีอริบัคให้เห็นบางชาชีก็มาใช้ ง, งูแางคนนี้ปัญญาเมื่อโชว์ทฤษฎีอริบัคให้ดูแล้วปฏิเสธไว้ได้โดยศัทาขึ้นมา แต่จริงบแต่ังีก็ได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้เคยฝึกจตติได้เปี่ยนหลงเป็นลู้เปลี่ยนได้เป็นดีมีสติภาในกายได้ํำอยู่แล้วพอมีคนพูดเรื่องนี้ก็ได้ทิสดีด้วย ฟังในะสิ่งที่เราได้ทําได้ทนะําำในสิ่งที่เราได้ฟังมาก็เข้าคูบกันเข้ากันได้แต่ในะสิ่งที่ได้ยินเราไม่เคยได้ทำสิ่งที่ได้ยินเราได้ทําอันเดียวกันแต่ที่เกิดไม่ได้ บางทีสิ่งที่เราได้เห็นในผ่านไปคนอื่นเอา่าให้เราข้องแวะเราก็รู้เช่นไปสอนทำในจังหวัดจันท บ, บุรีแหลมสิงจไหมสี่สิบปีก็มี สายงานยุบพุทธสัมมาหรหังอยากจา์มาขอสแสดงทรรน้บอกว่าสอนก็ให้ขอสอนขอสอนวิธีปิบัตแบบสัมมาหรหังโดยพวกเราที่นั่งฟังอยู่เป็นผู้ฝึกสติ คนทำงาจทัหกสิบเจ็ดสิบคนนั่งฟังเราก็สอนเรื่องการจรดติมาหลายวันบางคนก็ผึกมาจนเข้าใจชำนาญดีอาจารย์มาสอนเรื่องสมารหางก็ให้มองโลกเขียว ลูกแก้วกึ้นมาให้ดูจับลูกแก้วโชว์ขึ้นมาให้ดูใครทุกคนมองเห็นลูกแก้วนี่ไหมแล้วก็มองก็เห็นโยลูกแก้วขึ้นมานี่เห็นไหมเห็นเห็นมองให้ติดตานะเห็นแล้วก็มองเหรลูกแก้วตื้นลงไปเหมือกับมีลูกแก้วตื้นลงไย อยู่ในหน้าอก เ, เลือนหลังไปเหนือสะดือตจำไว้ใต้สะดือยกเหนือขึ้นมาอีกเหนือสะดือสองนิ้ววางไว้ตรงนั้นมองลูกแก้ว อ, อยู่ตรงนั้นให้ว่าสำมาละหังสำมาละหันวลิกกรรมร่าใจมีภาพนี้ก็เห็นลูกแก้วเอ หลวงเจ้าจะเกิดเป็นธรรมกายขึ้นมาแล้วก็สอนอยู่ส0นสิบาทีถ้าใครเกิดธรรมกายขึ้นก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นในคนหกสิบเจดสิบคนนี่แล้วพวกปฏิบททัติธรรมแล้วก็ โอเคยเจอนสติเขามาได้คิดถงันนี้มิดบบนั่นม่เจะรู้เชุดรู้ช็ดมันก็มาเกิดสอนสิาทีไม่มีใครยกมือขอยยี่สิบนาทีก็ไม่มีใครยกมือว่าทำไมมันจึงไม่เกิดสมากายขึ้นมาสอนที่ไหนมันก็เกิดขึ้นมาคนหกสิบเจ็ดสิบคน น, 60, 20, คนี่ยานอก็สิบยี่สิบคน ก็เลยไม่สดดังก็บอกว่าที่นี่เขาเจริญติแล้วก็ผ่านนิพกันมาแล้วมีจิตแล้วมัวจึงไม่เกิดรูปแก้วอย่างนี้พ่จาจะนั่นผู้เจริญติแล้วก็งองเห็นเรื่องกรรมฐานจะเป็นสมถานกรรมฐานที่ปัจสนากรรมฐาน เกิดมีมิตรอะไรต่างๆเมืะจะรู้เราจะเห็นรู้ปฏิบัติเจริญส ต, ติก็ผ่านมาแล้วมันก็ไม่เกิดไม่รู้จาวาพิจารณ์ทำไมเข้าถึงภาวะที่รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นกับรู้รู้แล้วจะเราสิ่งที่ผ่านมามาถ่วงหน้ามันก็ทําไม่เป็นภาวะที่รู้มันก็ไปไกลายมันโฉงกว่า ถ้าเป็นเสยภูมิที่ดีได้ยินไหมเนี่ยอ๋อถึงน่าเราจะแต่ที่บัดนี้เรามาอยการฟังกันไปและเราฟังอยู่นี่จดูตัวเอง้วการฝึก เรื่องบางทีเราพออยู่ในอยู่ในนอกไม่ดีมีเครื่องเขยิยดังดังนั่นลดลเปิดทัศน์เปิดวิดีโอดังดังจะทำยังไงเอามาเป็นเครื่องลบควาหรือถึกตอนนั้น เดินทางไปสอนธรรมอะอาศัยการนั่งรถทัวกับตั้งคืนเวลาพักผ่อนกลางวันทํางานก็นั่งรถกั้งคืนจะได้หลับพักผ่อนต่อขึ้นไปนั่งเพราะเจอรถวิ่งไปเขาก็เปิดหนังเปิดวิดีโอดัง บางคนก็จ้องมองคนก็เปิดร่วงนิเสียงออกมาเราก็นั่งอยู่แล้วก็นั่งทำมีเสถีนอนลงไปมีเสถีไม่สนใจไม่สนใจหมายถือเอาล้มทำท่าเอาลมหมู ถ้ามีลมอยู่ที่หูมันมัก็มาคอยดึงก็หลับฝึกหัดในขณะที่มันอยู่ในเฉียงที่มันบงังคับเราให้เราได้ยินเราก็หึกหัดลงดูมันก็ทําได้หลับได้ไม่ถือว่าลบกวนบางที่อยู่ในวัดก็มีการงานในวัด สายหนังตู stroke, атели, ้หลงพงเท่ากับตีเท่าอย่างไรดีเรื่อยๆเติมๆเรวก็ก็ยอมที่จะให้หลอกาก็ฝกัดไม่ได้เอาเล้อมากหวงมนกว่าน้องน่าจะเต่าหลงเด็กฝกจนจน้นแบบนี การหัดฟังงับไม่ฟัง <c oughs> จะฟังหรือไม่ฟังนั่นไม่มีสติเนี่ยทีแค่เราก็สอนตัวเราเองตัวเราเองนี่อาศัยการได้ยินไม่ได้ยินชัดเจนก็วุ่นวาย ไม่ใช่แนวร่วมที่จริงมาเกิดจากเราดิเราเกิดคึ้นขณะที่เราฟังมาจะ้ยินเราถือว่าวุ่นวายในหัวใจนั่นแหละปฏิวัติธรรมมามันสงบขณะที่มันวุ่นวายว่าสอนตัวเองในทุกรูปแบบ แม้นะนคนนินทาแม้นคนรู้สึิญม้คนพูดแล้วก็ฟังได้อย่างสงบคนพูดถูกก็ฟังได้คนพูดถูกก็ฟังได้ฟังอย่างดียังมีปัญญาพูดผิดก็ได้ปัญญาพูดถูกก็ได้ปัญญา เรด้ยินสี่ที่เขาพูดเราพูดผิดเขาพูดผิดก็เกิดความเสียใจของเขาเราจะโต้ตอบแลเขาพูดตัวก็แนวร่วมเกิดขึ้นพอใจถ้าเราดูบทที่บทให้เราดูตัวเองอย่าไปให้บางคนกูดกันเทอ แล้วล่ะงั้นก็ม่ต้องฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฉันเร่องอะ